บทที่8คุณธรรมจากหนังสือจริยศาสตร์ของอาจารย์วสินอินทศรั 1. หน่น้าที่กับคุณธรรมได้กล่าวถึงหน้าที่มพสมควรแล้วในบทก่อนบทนี้จะกล่าวถึงคุณธรรมปัญหาประการแรกที่เราควรวินิจฉัยก็คือคุณธรรมคืออะไรมีความสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างไร กล่าวตามหลักจริยศาสตร์คุณธรรมคืออุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิตอุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานานคุณธรรมมีความสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมากเพราะการทาหน้าที่จนเป็นนิสัยนั่นเองจะกลายมาเป็นอุปนิสัยอันดีงามสั่งสมอยู่ในดวงจิต เป็นบารมีเป็นสันดานดีลักษณะอย่างเดียวกันนี่แหละถ้าเป็นฝ่ายชั่วท่านเรียกอาสวะคือกิเลส ท, ที่หมักห ม, มมอยู่ในดวงจิตย้อมจิตให้เศร้าหมองเกล็ดกลางไปด้วยความชั่วนานาประการกลายเป็นสันดานชั่วทำให้แก้ไขได้ยากสอนได้ยากคนมีคุณธรรมก็คือคนที่มีนิสัยอันดีงามในการทำหน้าที่ นิสัยนี้แน่นอนมั่นคงได้รับมาจากความพยายามและความประพฤติอันติดต่อกันมาเป็นเวลานานพูดให้สั้นกว่านี้อีกว่าคุณธรรมคือความล้ำเลิศแห่งอุปนิสัยซึ่งเป็นผลของการกระทําหน้าที่จนเป็นนิสัยนั่นเองอุปนิสัยเป็นส่วนสําคัญยิ่งใหญ่ภายในของความประพฤติบุคคลย่อมประพฤติตามอุปนิสัยสันดานของเขา ความประพฤติสอให้เห็นอุปนิสัยสันดานของคนว่าเขาเป็นอย่างไรคุณธรรมแสดงออกในหน้าที่คนมีคุณธรรมเป็นผู้รักหน้าที่ของตนและทาหน้าที่อย่างดีที่สุดหน้าที่ที่เขาทําอย่างดีจนเป็นนิสัยนั่นเองนำไปสู่การสร้างสารรค์คุณธรรมต่อไปและให้สูงส่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปหน้าที่กับคุณธรรมจึงต้องอาศัยกัน และเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันอย่างแยกไม่ได้มันเป็นสิ่งเดียวกันที่มีสองด้านด้านหนึ่งเป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งเป็นคุณธรรมคุณธรรมคือความล้ำเลิศแห่งอุปนิสัยภายในส่วนหน้าที่คือการแสดงออกภายนอกของอุปนิสัยอันดีงามเพราะฉะนั้นคุณธรรมก็คือคุณภาพแห่งอุปนิสัยอันแสดงออกให้เห็นโดยการกระทํา 2. คุณธรรมความรู้และนิสัยทั้งสามอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมากอีกเพราะคนที่จะสร้างนิสัยอันดีงามให้แก่ตนได้ก็ต้องมีความรู้แจ่มแจ้งในคุณค่าของนิสัยดีงามว่ามีผลแก่ตนและส่วนรวมอย่างไรนิสัยดีอันถาวรมั่นคงจะกลายเป็นอุปนิสัย และคุณธรรมต่างๆก็จะแสดงตนออกมาจากอุปนิสัยนั้นเหมือนกระจกเงาย่อมสะท้อนภาพออกมาให้เห็นภาพจริงเป็นอย่างไรเงาในกระจกก็เป็นอย่างนั้นอุปนิสัยเหมือนตัวภาพจริงนิสัยเหมือนกระจกเงาส่วนการกระทำเหมือนเงาในกระจกเราเห็นเงาในกระจกเพราะมีกระจกแต่แม้มีกระจกแต่ถ้าไม่มีภาพใดๆเลย ก็หามีอะไรปรากฏในกระจกเงาไหมคงเป็นกระจกที่ว่างเปล่ากายและวาจาของคนจึงสะท้อนให้เห็นอุปนิสัยส่วนลึกของเขาว่าเป็นอย่างไรบุคคลจะประกอบกรณียกิจในหน้าที่จนเป็นนิสัยได้ก็เพราะมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่นั้นและมีความรู้ในความดีอันสูงสุดของตนซึ่งบ่งชี้ไปถึงหน้าที่ ดังนั้นคุณธรรมจึงหมายถึงความรู้หรือปัญญาพร้อมทั้งนิสัยโซเครติสปรัตยาเมทีผู้ยิ่งใหญ่เน้นถึงกับว่าคุณธรรมคือความรู้เพลโตก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันส่วนอริสโตเติลเห็นว่าคุณธรรมคือ น, นิสัยอันดีงามอย่างไรก็ตามลำพังแต่ความรู้ในเรื่องความดีและหน้าที่อย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะสร้างคุณธรรมขึ้นได้ความรู้จะต้องนำไปสู่การกระทำความรู้ในหน้าที่จะต้องนำไปสู่การทำหน้าที่จนเป็นนิสัยคุณธรรมที่ปราศจากการกระทำจึงว่างเปล่าถ้าจะมีอยู่บ้างก็เป็นอัพโรหาริกคือมีเหมือนไม่มีเช่นน้ำในก้อนดินแห้งหรือใบไม้แห้งเกือบดูไม่ออกว่ามี แม้มีอยู่บ้างก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการดื่มหรือใช้สอยดังนั้นแม็คเฮนซี่จึงกล่าวว่าคุณธรรมคือความรู้และนิสัยคนมีคุณธรรมจึงหมายถึงคนที่มีความรู้ในหน้าที่ซึ่งแสดงออกในรูปการหรือในสถานการณ์จริงอันพอมองเห็นได้ 3. คุณธรรมกับความสุข เรื่องคุณธรรมกับความสุขนี้เป็นปัญหาถกเถียงกันมากเรื่องหนึ่งในวงปรัช ญ, ญาเมธีและนักจริยศาสตร์ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้พ่อแบ่งออกได้เป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเห็นว่าคุณธรรมต้องตามมาด้วยความสุขคุณธรรมเป็นเหตุความสุขเป็นผลเรามีความอดทนมีความเสียสละอันเป็นคุณธรรม ก็เพื่อให้ได้รับความสุขในบ้านปลายสุภาษิตไทยก็มีว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานหมายถึงให้อดทนสร้างสมคุณธรรมเพื่อความสุขในบ้านปลายคนทั่วไปก็มีความเห็นว่าคนมีคุณธรรมหรือคนดีควรจะมีความสุขในชีวิตคนดีต้องมีความเพลิดเพลินในการประกอบกรรมดีและคนดี ควรจะได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนอริสโตเติลปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกก็มีความเห็นอย่างนี้และมีความเห็นว่าความสุขเป็นความเบิกบานของชีวิตเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตแต่ความสุขนั้นต้องมีมูลฐานมาจากคุณธรรมโซเครติสเองก็มีความเห็นว่า ชีวิตของคนดีเป็นชีวิตที่มีความสุขคนดีไม่มีทางมีความทุกข์ได้เลยไม่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเพราะไม่มีสิ่งใดทาอันตรายแก่คนดีได้ความเห็นของโสเครติสอาจไม่ตรงกับความรู้สึกของคนทั่วไปเพราะเท่าที่คนทั่วไปได้เห็นอยู่บ้างและเห็นอยู่บ่อยๆคือคนดีมีคุณธรรม ที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็มีอยู่ไม่น้อยชีวิตที่เปลี่ยมด้วยคุณธรรมแต่ต้องผจญกับความทุกข์นานาประการก็มีอยู่อย่างไรก็ตามโซเครติสยังยืนยันว่าโดยธรรมชาติแล้วคนต้องการความสุขด้วยเหตุนี้คนจึงทําความดีเพราะความดีเป็นอันเดียวกันกับความสุขส่วนเพลโตดูเหมือนจะเห็นว่าคุณธรรมมีจุดหมายในตัวเอง คือเราประพฤติความดีเพื่อความดีเราเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อความสุขหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นแต่เพื่อความดีนั่นเองเพื่อสิ่งที่เราทำนั่นเองความเห็นอย่างนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้งสักหน่อยเพราะไม่ได้มุ่งผลแห่งการกระทาไปทางความสุขซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของคนทั่วไปอิมานูเอลคานต์ยืนยันอย่างมั่นคงว่า คุณธรรมมีจุดมุ่งหมายในตัวเองเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอื่นเช่นความสุขเป็นต้นคนดีไม่จำเป็นจะต้องได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนเพราะเขาทำความดีเพื่อความดีนั่นเองคนดีอาจได้รับความทุกข์ทรมานตลอดชีวิตก็ได้คนชั่วอาจมีความสุขก็ได้ตามทัศนะของคาน คุณธรรมกับความสุขไม่จําเป็นต้องไปด้วยกันอาจกลมกลืนกันก็ได้อาจขัดแย้งกันก็ได้ค้านเห็นว่าคนมีคุณธรรมไม่ควรประพฤติคุณธรรมเพื่อความสุขแต่เขาก็หย่อนไว้ให้หน่อยหนึ่งเหมือนกันว่าความผาสุขของคนนั้นย่อมรวมเอาความสุขและคุณธรรมเข้าไว้ด้วยกันเราควรประพฤติคุณธรรมเพื่อความสุขของผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง เพราะจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวเกี่ยวกับความสุขในอนาคตของคนดีมีคุณธรรมนั้นคาร์โยนให้เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าคาร์ตบอกว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราส่วนความสุขอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการดังนั้นคุณธรรมจึงไม่รวมเอาความสุขไว้ด้วย และความสุขก็ไม่จำเป็นต้องมีคุณธรรมเป็นเหตุปัจจัยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันพวกสมบูรนิยมสมัยใหม่เห็นว่าคุณธรรมต้องมีความสุขตามมาความสุขเกิดจากความกลมกลืนของความปรารถนาและเหตุผลนั่นคือความรู้สึกเห็นแจ้งตนเองคุณธรรมคือการควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆ และความทยานอยากไว้ด้วยเหตุผลการเอาเหตุผลมาช่วยเปลี่ยนแปลงควบคุมความกระหายในผัสะนั้นจะต้องมีความสุขตามมาอย่างแน่นอนความสุขเช่นนั้นเป็นดัชนีไปสู่ความรู้แจ้งตนเอง 4. ทัศนะของนักปราชต์ต่างๆตามทัศนะของโสเครติสคุณธรรมคือความรู้ i วอร o ช is k n o w l e เ g e เขาพูดเสมอว่าถ้าบุคคลรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของความดีจริงๆแล้วเขาจะไม่พลาดจากการประกอบความดีเขาจะไม่ทำความชั่วเพราะความไม่รู้นั่นเองทำให้เขาต้องทำความชั่วความเขาเป็นความชั่วร้ายพออกับความรู้เป็นคุณธรรมหรือเป็นความดีไม่มีใครตั้งใจทำความผิด No one intentionally d า strong ที่เขาทำผิดเพราะเขาไม่รู้แม้ความเป็นคนพอประมาณโดยไม่รู้ว่านั่นคือความพอดีก็เป็นความไม่พอดีอย่างหนึ่งความเป็นผู้กล้าหาญโดยไม่รู้จักความกล้าหาญก็เป็นความขาดอย่างหนึ่งดังนั้นตามทัศนะของโสเครติสแล้วความรู้ก่อให้เกิดสาระของคุณธรรม บุคคลไม่เคยทำความผิดทั้งๆที่รู้เลยคราวนี้สมมุติว่ามีบุคคลสองพวกพวกหนึ่งทำความผิดทั้งๆที่รู้อีกพวกหนึ่งทำความผิดโดยไม่รู้ในสองพวกนี้โซเครติสก็ยังยกย่องพวกที่ทำผิดทั้งๆที่รู้ว่าดีกว่าพวกทำความผิดเพราะไม่รู้เพราะแม้ทำผิดเขาก็ยังรู้ว่าผิดตามนัยนี้ โสกรรติส so ยกย่องความรู้มากและคนส่วนมากก็สงสัยว่าทัศนะของโซเครติสถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เพราะเขายืนยันอย่างมั่นคงว่าถ้าบุคคลรู้บุคคลย่อมไม่ทำความผิดหรือความชั่วแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเท่าที่เรามีประสบการณ์มีบุคคลเป็นอันมากที่ทาความชั่วหรือความผิดทั้งทั้งที่รู้ว่าผิดและชั่ว เพราะทนความยั่วยวนไม่ได้บ้างเพราะความจำเป็นบ้างความรู้ดีรู้ชั่วมิใช่จะป้องกันมิให้เขาทำชั่วได้เสมอไปความพอใจในความสุขความเพลิดเพลินอันยั่วยวนอยู่เฉพาะหน้าอาจจะเป็นแรงผลักดันหรือชักจูงให้เขาทำความผิดได้เรื่องนี้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปปัญหาว่า คำว่ารู้ที่โสเครติสหมายถึงนั้นรู้แค่ไหนอย่างไรรู้จริงหรือรู้ไม่จริงโสเครติสอาจหมายความว่าคนถ้ารู้จริงอย่างแจ่มแจ้งย่อมไม่ทาความผิดคนส่วนมากเป็นผู้ไม่รู้แต่สำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้รู้อย่างที่กล่าวไว้ในประวัติของโสเครติสว่าโสเครติสที่เอาไปสนทนากับบุคคลต่าง ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดแต่กลับพบว่าไม่มีใครสักคนที่ฉลาดจริงโซเครติสรู้ว่าตนผิดจากคนเหล่านั้นเพราะคนพวกนั้นไม่มีใครเลยสักคนที่รู้แต่คิดว่าตัวเองรู้แต่โซเครติสพูดอยู่ตลอดว่าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลย ดังนั้นคำว่ารู้ที่โสเครติสหมายถึงอาจลึกซึ้งกว้างขวางกว่ารู้ที่คนทั่วไปเข้าใจก็ได้ถ้าเราติดตามศึกษาพระพุทธศาสนาก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงความรู้ที่เรียกว่าปัญญาหรือวิชาไว้หลายระดับคือระดับที่รู้แล้วยังละกิเลสไม่ได้ก็มีระดับนี้แม้รู้ก็ยังทำความชั่วอยู่ ระดับที่รู้แล้วละกิเลสได้ก็มีระดับนี้รู้แล้วไม่ทำความชั่วหรือความผิด ท, ทั้งทั้งที่รู้อีกเลยตัวอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกรู้อริยสัจสี่แล้วไม่ทำความชั่วอีกเลยแต่บุคคลทั่วไปรู้อริยสัจสี่เหมือนกันอธิบายได้ดีเข้าใจดีแต่ก็ยังทำความชั่วอยู่ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ระดับแห่งความรู้ในอริยสัจไม่เท่าเทียมกันท่านพวกแรกรู้เพราะการอบรมตนอย่างถึงขนาดภาวนามยปัญญาส่วนพวกหลังรู้ด้วยการฟังและการคิดคือสุตตะมยปัญญาและจินตามมยปัญญาอย่างไรก็ตามเรื่องของโสเครติสกับปัญหาเรื่องความรู้และคุณธรรมหรือความดีนี้ อริสโตเติลผู้เป็นศิษย์ของท่านโซเครติสได้แก้ไว้ให้ท่านอาจารย์ว่าโซเครติสรู้สึกจะพลาดไปในเรื่องนี้คือข้อที่ตกลงใจว่าผู้รู้ย่อมไม่ทําความผิดทั้งนี้เพราะท่านเอาคนอื่นมาเปรียบกับตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้มีเหตุผลอยู่พร้อมท่านไม่เคยทําความผิดใดๆถ้าท่านรู้ว่าสิ่งนั้นผิดท่านควบคุมตนให้อยู่ในเหตุผล และเอาชนะอารมณ์โลภโกรธหลงแต่อารมณ์มักอยู่เหนือเหตุผลคนทั่วไปส่วนมากจึงทำชั่วหรือความผิดเพราะอารมณ์ชักจูงไปเพราะเวลานั้นอารมณ์มีอิทธิพลเหนือเหตุผลตามปกติอารมณ์กับเหตุผลทะเลาะ ก, กันอยู่เสมอในสนามคือดวงจิตของคนส่วนข้อที่โสเครติสถือว่าความเป็นคนพอประมาณโดยไม่รู้จัก เป็นความไม่พอดีอย่างหนึ่งความกล้าหาญโดยไม่รู้เป็นความขาดอย่างหนึ่งนั้นฝั่งยากและดูจะทําลายความจริงในตัวเอง objective truth เสียด้วยเพราะโสเครติสเกณฑ์ให้คุณธรรมเหล่านี้ไปขึ้นกับความรู้ถ้าไม่รู้ผลกลับตรงกันข้ามไปเสียความจริงแล้วคุณธรรมย่อมเป็นความจริงในตัวเองเป็นปราในภาพ ไม่ขึ้นกับความรู้หรือความเข้าใจผิดหรือถูก ข, ของใครสมมุติว่าคนผู้หนึ่งดื่มยาพิษเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเป็นยาพิษความไม่รู้นั้นจะช่วยให้ยาพิษกลับกลายเป็นน้ําหวานได้หรือไม่ในทางกลับกันบุคคลอีกผู้หนึ่งดื่มวิตามินเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นยาวิตามินเข้าใจว่าเป็นน้ำธรรมดาความไม่รู้ของเขา ก็าหาไปทำลายคุณภาพแห่งยาวิตามินได้ไหมมันคงไม่กลับกลายเป็นยาพิษเพราะความไม่รู้ของเขาอย่างแน่นอนตามทัศนะของอริสโตเติลคุณธรรมคือนิสัยในการเลือกวิธีสัมพัสธ์ซึ่งปัญญาชนสามารถตัดสินได้โดยเหตุผลวิธีสัมพัส์หรือ relative mean นั้นหมายความว่า คุณธรรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นเรื่องเรื่องไปหาได้มีความตายตัวใดๆไม่การปฏิบัติให้เหมาะสมในเรื่องนั้นๆนั่นเองคือคุณธรรมอะไรเหมาะสมอย่างไรปัญญาชนย่อมพิจารณาตัดสินได้โดยอาศัยเหตุผลเป็นทางดาเนินตามธรรมดาในโลกแห่งความเป็นจริงมีปัญหาข้อขัดแย้งมากมายในการปฏิบัติภารกิจต่าง ความเหมาะสมในการดำเนินนั่นแหละคือคุณธรรมการกระทาอย่างเดียวกันอาจเป็นคุณหรือโทษก็ได้สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยและสภาวะแวดล้อมหรือความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการกระทานั้นตัวอย่างการผ่าท้องคนบุคคลผู้หนึ่งมีเจตนาฆ่าคนให้ตายจึงผ่าท้องเขา ผู้ถูกฆ่าจะตายหรือไม่ตายก็าตามแต่การกระทำนั้นไม่เป็นคุณธรรมแต่หมอใช้มีดเล่มเดียวกันใช้ห้องเดียวกันผ่าท้องคนด้วยเจตนาจะให้เขาหายจากโรคในท้องเขาจะหายหรือจะตายก็าตามการกระทำนั้นเป็นคุณธรรมซอยให้ละเอียดลงไปอีกหมอคนเดียวกันนั่นเอง ผ่าท้องคนที่มีโรคในท้องซึ่งสมควรได้รับการผ่าตัดเพื่อความหายโรคการกระทำนั้นเป็นคุณธรรมแต่ถ้าคนนั้นไม่มีโรคอะไรเขาปกติดีทุกอย่างหมอผ่าท้องเขาเพื่อความสนุกสนานของตนการกระทำนั้นไม่เป็นคุณธรรมเพราะไม่มีเหตุผลสมควรในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกัน คุณธรรมจึงไม่มีข้อกำหนดตายตัวอริสโตเติลถือว่าคุณธรรมคือความพอดีพองามไม่เอียงสุดไปด้านใดด้านหนึ่งคือไม่เกินไปกับไม่หย่อนไปเช่นคุณธรรมคือความกล้าหาญอยู่ท่ามกลางระหว่างความกล้าจนบ้าบินกับความขาดคุณธรรมคือความจริงอยู่ท่ามกลางระหว่างการพูดเกินจริง กับการดูหมิ่นตนเองหรือถ่อมตนจนเกินไปคุณธรรมคือความเสียสละอยู่ท่ามกลางระหว่างความฟุ้งเฟือยสุรุ่ยสุร่ายกับความตรหนีเหนียวแน่นความเห็นของอริสโตเติลเข้ากันได้กับความเห็นทางพระพุทธศาสนาเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกิน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้8ประการที่เรียกว่าอริยมรคมีองค์8ดนอกจาก8ปประการนี้แล้วแม้คุณธรรมอื่นๆก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันรวมความว่าตามทัศนะของพระพุทธศาสนาคุณธรรมทุกอย่างเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตามทัศนะของเพลโต มีคุณธรรมสำคัญอยู่สีประการเรียกว่า cardinal virtues เป็นคุณธรรมพื้นฐานซึ่งรองรับคุณธรรมอื่นๆไว้ทั้งหมดสีประการนั้นคือ 1. ปัญญา 2. ความกล้าหาญ 3. ความพอประมาณ 4. ความยุติธรรมเพลโตถือว่าปัญญาสำคัญที่สุดอบอ้อมเอาคุณธรรมอื่นๆไว้ด้วย ธรรนองเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงถือเอาความไม่ประมาทว่าเป็นธรรมสำคัญที่สุดเลิศกว่าธรรมทั้งปวงอบผู้มาคุณธรรมอื่นๆไว้ทั้งหมดปัญญาในที่นี้หมายเอาปัญญายานทางธรรมอย่างเห็นหน้าที่และบำเพ็ญกรณียกิจเกี่ยวกับหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เป็นปัญญาเชิงปฏิบัติ อันกินความไปถึงการกระทำอันเกี่ยวกับศีลธรรมทั้งหมดความกล้าหาญและความพอประมาณนั้นเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวกับตนซึ่งก่อให้เกิดผลโดยตรงแก่ชีวิตส่วนบุคคลความกล้าหาญเป็นอำนาจจิตในการอดกลั้นความทุกข์ทรมานส่วนความพอประมาณเป็นอำนาจจิตในการอดกลั้นความลหลงไหลมัวเมา ในความสุขความเพลิดเพลินกล่าวให้สั้นก็คือการควบคุมตนทั้งในด้านทุกข์ด้านสุขส่วนความยุติธรรมนั้นเป็นที่เข้าใจดีกันโดยทั่วไปแล้วกล่าวอย่างสั้นคือการเว้นอคติทั้งสคือลำเอียงเพราะรักโกรธหรือเกลียดหลงและกลัวความยุติธรรมจะช่วยให้บุคคลปฏิบัติเที่ยงตรง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วโยนความทุกข์ยากลาบากให้ผู้อื่นเป็นคุณธรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างที่สุดคุณธรรมสาคัญ4ประการของเพลโต้นันใช้ได้ดีในสังคมคือสังคมต้องการคุณธรรมเหล่านี้อยู่มากแต่สังคมก็ยังขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ไม่น้อย ปัญหาเรื่องการจัดคุณธรรมเป็นคุณธรรมส่วนตนคุณธรรมที่เกี่ยวกับผู้อื่นและคุณธรรมที่เกี่ยวกับอุรมณ์คตินั้นก็เป็นการดีในแง่ที่ทำให้เข้าใจง่ายเหมาะแก่การศึกษาเบื้องต้นเช่นท่านจัดเอาความพอประมาณความเมตตาปราณีความรักชาติเป็นคุณธรรมเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสังคมความรักความจริง ความกระหายในความดีและการอุทิศตนเพื่อความงามเป็นคุณธรรมเพื่ออุดมคติคุณธรรมนี้นำไปสู่การรู้แจ้งตนเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากเหลือเกินที่จะแยกคุณธรรมหรือความดีส่วนตนกับความดีส่วนสังคมได้เพราะมีความเกี่ยวพันอยู่อย่างไม่สามารถจะแยกจากกันได้สิ่งใดเป็นประโยชน์ตน สิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่สังคมสิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกชนด้วยจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่านั้นแม้คุณธรรมเพื่ออุดมคติก็เหมือนกันในเบื้องต้นอาจมองเห็นเป็นประโยชน์หรือเป็นความดีส่วนบุคคลแต่ในไม่ช้าความดีนั้นย่อมค่อยๆแพร่ขยายไปสู่สังคมทีละน้อย จนเป็นความดีทั้งปัจเจ ก, กชนและสังคมคุณธรรมเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากแก่การวินิจฉัยเรื่องหนึ่งในวิชาจริยศาสตร์มีข้อปลีกย่อยละเอียดพิสดารมากนํามากล่าวในบทนี้พอเป็นแนวทางเท่านั้นลองนึกดูเถิดแม้พระพุทธรูปที่ท่านไม่รับรู้อะไรกับเราแต่เราก็ยังบูชาท่าน ด้วยดอกไม้ทูบเทียนเป็นเครื่องสักการะในฐานะเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าจะกล่าวใหญ่กับการบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัจจัยสี่และการดูแลถนอมน้ำใจของลูกหลานและสิทธิการให้ท่านชื่นใจความสุขย่อมย้อนกลับมาหาเราผู้ทานั่นเองเพราะพ่อแม่เป็นบุพก า, าร์เป็นอาหนัยบุคคล เป็นบุพพเทศและเป็นพระอาหารหันต์ของลูกลูกผู้คิดเป็นย่อมพ้นจากความเป็นพานคือหายโง่ผู้คิดไม่เป็นย่อมต้องเป็นพานคือยังโง่อยู่ถ้าโงา่ความทุกข์จะตามมาถ้าฉลาดความสุขก็ตามมาทำอย่างคนฉลาดดีกว่าทำอย่างคนโง่ 5. เสรีภาพทางปัญญา เสรีภาพในการแสดงออกนับเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์คุณค่าของมนุษย์และทำให้เขามีความสุขความพอใจถ้ามนุษย์เราไม่สามารถคิดและแสดงออกซึ่งความคิดอย่างมีเสรีภาพแล้วเขาก็จะเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่คนที่ได้รับการพัฒนาดีแล้ว ความกดดันทำให้เขามีความโน้มเอียงไปในทางทําลายบุคลิกภาพของตนเองดื้อดึงหรือดื้อด้านเป็นคนก้าวร้าวหรือหัวรั้นก่อเรื่องวุ่นวายหรือมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นคนตรงกันข้ามคือไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยรับคําสั่งอย่างเดียวเป็นเยสเมนพร้อมๆกันนั้นจิตใจและนิสัยของเขาก็จะเป็นเหมือนธาตุ คุณภาพของคนแตกต่างกันเช่นเป็นผู้มีความโน้มเอียงทางจริยธรรมสุนทริยศาสตร์และอื่นๆพัฒนาขึ้นได้ในสังคมที่บุคคลสามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรีถ้าไม่มีเสรีภาพแม้มีเหตุผลก็แสดงเหตุผลนั้นไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเสรีภาพทางปัญญา เป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาความจริงเพื่อความคิดใหม่หรือเพื่อการสร้างสรรค์ใหม่ๆถ้าเขาไม่สามารถคิดและแสดงออกได้แล้วเขาจะค้นพบได้อย่างไรว่าอะไรจริงอะไรเท็จผลต่อมาก็คือถ้าเขาไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จแล้วเขาจะประพฤติหุนศลธรรมได้อย่างไรเราต้องการเสรีภาพเพราะเราต้องการความคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นสาระสาคัญของความก้าวหน้าความคิดและอุดมคติแทบจะทุกอย่างซึ่งเราได้รับอยู่ทุกวันนี้รวมทั้งความคิดและอุดมคติทางการศึกษาของประชาชนและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกถือว่าเป็นสิ่งผิดและอันตรายมาแล้วสถาบันที่เรารักเราถนอม เกิดขึ้นได้ก็เพื่อต่อต้านการกระทำบางอย่างที่เห็นว่าไม่ถูกต้องผู้ที่ทำงานยิ่งใหญ่เช่นการสร้างชาติตั้งศาสนาล้วนแต่เป็นผู้ที่ใช้เสรีภาพทางสติปัญญาสามารถต่อสู้กับการล่มจมทางความคิดซึ่งบุคคลประเภทเยสเมนไม่สามารถทำได้ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้ก็เพราะการต่อสู้ทางความคิดของพระพุทธเจ้ากับลัทธิพราหมณ์คริสต์ศาสนาเกิดขึ้นเพราะการต่อสู้ของพระเยซูกับศาสนายิวเดิมและเป็นการต่อสู้ทางสติปัญญาท่านเหล่านี้รักเสรีภาพทางสติปัญญาเราต้องยอมรับว่า ไม่มีสถาบันใดสมบูรณ์แล้วไม่ต้องถูกวิพากวิจาร์ไม่ต้องแก้ไขทุกสถาบันยังมีข้อบกพร่องซึ่งต้องการการแก้ไขการวิพากวิจาร์ด้วยสติปัญญาเหตุผลและด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยความหวังดีทำให้สถาบันนั้นสมบูรณ์ขึ้นแม้จะไม่ร้อยเปิดเซ็นแต่ก็สมบูรณ์ขึ้น ถ้าคนไม่มีเสรีภาพทางสติปัญญาเขาจะวิพากวิจาร์ได้อย่างไรพวกเขาถูกปิดหูปิดตาต้องทำเป็นเหมือนคนตาบอดและหูหนวกเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มีอำนาจจะใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมกดขี่ข่มเหงผู้อยู่ใต้ปกครองให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า การต่อต้านเสรีภาพทางจิตใจและทางสติปัญญาของคนนั้นเป็นการต่อต้านวิถีชีวิตของเขาด้วยเพราะทำให้เขาคิดอะไรด้วยตนเองไม่เป็นสุดแล้วแต่ผู้อยู่เหนือจะสั่งพอจะคิดเองขึ้นมาบ้างก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรเพราะไม่เคยหัดคิดมาก่อนเขามีแต่กําลังกายสำหรับทำงานตามสั่งความคิดริเริ่มไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ วิถีชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเขาสร้างวิถีชีวิตใหม่ไม่ได้คงดำเนินชีวิตอย่างที่บรรพชนเคยทำมาเท่าไรก็เท่านั้นเหมือนนกหนูปูปลาและสัตว์โลกทั่วไปอันเคยอยู่อย่างไรเคยดำเนินชีวิตอย่างไรก็ําได้เท่านั้นไม่มีการพัฒนาในหมู่มนุษย์ที่ถูกปิดกัน้นสติปัญญา ไม่มีเสรีภาพทางความคิดทำนองเดียวกันพวกเขาทาได้แต่เพียงสิ่งที่สืบทอดตามประเพณีเฮอริเทจไม่ว่ามันจะเป็นภาระอันหนักหน่วงหรือจะเป็นประโยชน์ก็ตามถ้าเป็นประโยชน์ก็โชคดีไปถ้าเป็นภาระอันหนักหน่วงซึ่งเขาจะต้องแบกไปตลอดชีวิตและสืบต่อไปถึงรุ่นลูกหลานอีกจะทาอย่างไร ในสังคมของเรามีภาระอันหนักหน่วงซึ่งสืบทอดเป็นประเพณีกันมาหรือไม่ซึ่งคนพวกหนึ่งต้องรับภาระอันหนักแต่คนอีกพวกหนึ่งกลับได้ประโยชน์มหาศาลจากการสืบทอดประเพณีนั้นผู้รับภาระมีเสรีภาพที่จะคิดที่จะวิพากวิจารหรือไม่ถ้าเขาไม่มีเขาจะกำหนดวิถีชีวิตที่เขาพอใจได้อย่างไร หรือว่าเขาจำต้องทนอยู่ภายใต้แอครอบอันไม่อาจสลัดให้หลุดได้เสรีภาพหรือความต้องการเสรีภาพของมนุษย์นั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในธรรมชาติแท้ๆของมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยเสรีภาพพัฒนาการต่างๆนั้นมนุษย์มาสร้างกันขึ้นภายหลังเสรีภาพนั้นเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้และจะต้องได้เมื่อเขาไม่ได้ทำผิดอันสมควรจะถูกลงโทษตามกฎหมายหรือสัญญาประชาคมพวกที่เชื่อพระเจ้าเรียกสิทธิอันนี้ว่า God Given Rights แปลว่าสิทธิที่พระเจ้าได้ทรงประทานไว้มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพัฒนาศีลธรรมสติปัญญาและจิตใจของมนุษย์ ราษฎรเสรีภาพแล้วมนุษย์จะพัฒนาได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ศิลปะปรัชญาและศาสนาจะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อมนุษย์เป็นเสรีชนและอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพคอดความจากว่า intellectual freedom is important ในหนังสือ Ethics for today ของฮารูฮิตอส หน้าสองร 6. อยปัญญาคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาถือเอาปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดซึ่งจะนำไปสู่จุดหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นหรือวิมุตติตัวปัญญาเองไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดเป็นเพียงเครื่องมือขั้นสุดท้ายเท่านั้น ในการปฏิบัติโดยทั่วไปจึงเริ่มต้นจากศีลคือการควบคุมกายวาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีเหมือนต้นไม้อย่างเล็กต้องมีไม้หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งล้อมไว้ก่อนหรืออาจใช้หลักและเชือกผูกติดไว้เพื่อไม่ให้ล้มเมื่อลมแรงเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ยังเล็กซึ่งเจ้าของจะต้องล้อมข้อไว้ก่อน เมื่อต้นไม้หรือสัตว์เติบโตแข็งแรงดีแล้วก็ปล่อยได้พ้นจากอันตรายคนก็เป็นเช่นเดียวกันแม้จะมีศีลดีแล้วก็ต้องประคับประคองตนไว้ด้วยความไม่ประมาทต้องรักษาจิตด้วยสติอยู่เสมอเช่นระวังใจไม่ให้ติดในสิ่งที่ชวนให้ติดไม่ให้ขัดเคืองในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคือง ไม่ให้ลุ่งหลงมัวเมาในสิ่งที่ชวนให้ลุ่งหลงมัวเมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งสมาธิคือความสงบมั่นคงแห่งจิตอันเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้ปัญญาเหมือนการมองดูวัตถุในน้ำใสนิ่งย่อมเห็นชัดเจนหรือการมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างทางขณะรถวิ่งอยู่กับการมองดูขณะที่รถหยุดนิ่ง ย่อมมองเห็นชัดเจนได้ไม่เท่ากันในการใช้ปัญญาก็ทำนองเดียวกันขณะที่จิตฟุ้งซ่านสับสนวุ่นวายย่อมใช้ปัญญาไม่ได้หรือได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อจิตบริสุทธิ์สะอาดสงบตั้งมั่นย่อมใช้ปัญญาได้อย่างดีปัญญาที่ใช้บ่อยๆทําให้เฉียบคมว่องไวพอกผูนมากขึ้น เป็นปัจจัยให้ศีลและสมาธิดีขึ้นด้วยทั้งสามอย่างนี้อาศัยกันและกันทำให้จิตบริสุทธิ์พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าแก่มวลพุทธบริษัทนั้นก็เพื่อให้พุทธบริษัทธ์ขึ้นถึงยอดแห่งคุณธรรมคือมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองจนสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้ ไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยคำของสมณะนาจจปณะสมณะวจนะเหตุตุปปิคัตชติพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ117ที่ว่าไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยคำของสมณะนั้นหมายความว่าบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีสมณะนักบวชหรือศาสดาอันเป็นที่เคารพนับถือของตนของตน ท่านพูดอย่างใดย่อมเชื่ออย่างนั้นผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วมีปัญญาเข้าถึงธรรมหรือความจริงด้วยตนเองแล้วย่อมเชื่อมั่นด้วยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรได้เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วย่อมไม่ต้องเชื่อตามใครเพราะการเชื่อผู้อื่นเป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคลดังนั้นในการลามสูตรพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงไว้เป็นข้อสุดท้ายว่า อย่าได้เชื่อเพราะเห็นว่าผู้นี้เป็นสมณะของเราหรือครูของเราศาสดาของเรามาสมโนโนครุอันหนึ่งผู้อบรมปัญญาถ้าได้เห็นธรรมแม้เพียงขั้นโสดาบันอันจัดเป็นขั้นต้นแห่งผู้เข้าสู่กระแสธรรมก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งขึ้นมาอีกไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัใจจัยในคําสอนของพระศาสดา อปรปัจจโยสัตถุศาสนีเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดังข้อความในอังคุตรนิกายติ ก, กานิบาทเล่ม20สข้อห6 5ว่า 1. ทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น 2. ทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นได้ด้วยตนเอง 3. ทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์คือสามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่กําลังแห่งการปฏิบัติของตนของตนและก้าวขึ้นสู่ระดับสูงเป็นอุดมชีวิตข้อที่ว่า ปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดนั้นมีพุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวไว้ว่าผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุดดุจ ด, ดวงจันทร์ในหมู่ดาวและว่านักปราดกล่าวว่าผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดดังนี้เป็นต้นศรัทธาเป็นคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในเบื้องต้น เพื่อให้ชีวิตมีหลักยึดไว้ก่อนเหมือนเด็กสอนเดินต้องไถ่ราวหรือฝาผนังไปก่อนหรือคนเริ่มหัดเขียนหนังสือต้องมีเส้นบรรทัดมิฉะนั้นจะเขียนไม่ตรงดินยังเหลว อ, อยู่จะให้เป็นรูปใดต้องอาศัยเบ้าก่อนมิฉะนั้นจะเละไม่เป็นรูปอย่างที่ต้องการศรัทธาจึงเป็นคุณธรรมที่ต้องการก่อนเช่นนี้ก็จริง แต่ศรัทธาก็จะถูกแทนที่โดยปัญญาทั้งหมดในขั้นสุดท้ายคือในที่สุดก็ทิ้งศรัทธาไปได้เลยเมื่อปัญญาเข้ามาแทนที่โดยสมบูรณ์แล้วเหมือนช่วงแกะเอาเบ้าทิ้งเมื่อดินหรือปูนพลาสเตอร์แห้งดีแล้วเด็กเมื่อเดินแข็งดีแล้วก็ไม่ต้องอาศัยราวอีกต่อไปคนเขียนหนังสือชำนาญแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเส้นบรรทัดอีก แม้ในขณะที่ปัญญายังไม่เข้ามาแทนที่ศรัทธาโดยสมบูรณ์ศรัทธาก็ต้องคุมโดยปัญญาจะเห็นได้ว่าในหมวดธรรมที่ศรัทธาขึ้นต้นจะลงท้ายด้วยปัญญาเสมอแปลว่าศรัทธาจะต้องถูกควบคุมโดยปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวแสดงอย่างชัดเจนว่าพระพุทธศาสนา ไม่ต้องการให้บุคคลเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากปัญญาไม่ต้องมอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งใดโดยที่ไม่ตรองให้เห็นด้วยปัญญาเสียก่อนจะเห็นได้อีกว่าจุดมุ่งหมายในการสอนและพุทธวิธีต่างๆในการที่ส่งใช้สอนนั้นล้วนแต่ล้อมไปด้วยปัญญาให้บุคคลประจักษ์แจ้งด้วยตนเองจนสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ โดยอาศัยพระธรรมเป็นแนวทางดังพระพุทธดำรัสว่าท่านทั้งหลายจงมีตนและธรรมเป็นที่พึ่องอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพื่อการพึ่งตนและพึ่งธรรมพุทธบริษัทควรจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมจนสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ทางจิตใจไม่ต้องพึ่งใครทางจิตใจ พุทธบริษัทที่มั่นคงต้องอยู่ในลักษณะนี้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้ชื่นชมต่อคุณธรรมมีคุณภาพในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเมื่อบุคคลมีคุณภาพดีการงานทุกด้านก็จะประสานประโยชน์กันเป็นผลดีต่อบุคคลาศาสนาและชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมอย่างแน่นอนแต่ถ้าชาวพูทส่วนใหญ ยังสนใจพุทธศาสนาเฉพาะในแง่ที่เป็นพิธีกรรมไม่ค่อยสนใจพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระอันเป็นเครื่องมือช่วยตนในคราวมีทุกข์แล้วพอความทุกข์เกิดขึ้นก็พวักพวนจับอะไรไม่ถูกบางทีก็ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่แฝงตนเข้ามาในรูปของนักบุญหรือนักบวช พุทธบริษัทเหล่านี้แหละน่าสงสารมากทางที่ดีพุทธบริษัทควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าคือพยายามมีตนและมีธรรมเป็นที่พึ่งให้ได้ในการนี้ปัญญาเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งเป็นหลักให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิยึดเกาะหรือทรงตัวอิ่งอาศัยอยู่ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัท ธ, ธาซึ่งเป็นธรรมคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้วิริยะสติสมาธิก็เช่นกันเป็นธรรมคล้อยตามปัญญาย่อมทรงตัวอยู่ได้จากพระไตรปิฎกเล่ม19หน้า989ปัญญาจึงเป็นคุณธรรมสูงสุดดังกล่าวมาพระพุทธองค์ทรงส อ, งสอนธรรม เพื่อให้พุทธบริษัทมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและคุ้มครองตนได้และเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทุกระดับทุกขั้นตอนส่วนผู้ที่มีศรัทธาอย่างมอบกายถวายตัวต่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมืดบอดงมงายไร้ปัญญานั้นเป็นการบอกอยู่แล้วในตัวว่าขาดสัมมาทิฏฐิศรัทธาของเขาเป็นศรัทธายาณวิปยุต คือปราศจากปัญญาและเป็นอมูลริกาศัทธาคือศรัทธาที่ไม่มีปัญญาเป็นฐานรองรับมีแต่อันตรายสะสมอันตรายทั้งแก่ตนและแก่ผู้เกี่ยวข้องเพราะมันเป็นศรัทธาบ้าคลั่งแฟนติกซีซึมคนผู้มีศรัทธาเช่นนี้แทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคม เพราะใครไปแตะต้องสิ่งที่ตนศรัท ธ, ธาไม่ได้พวกนี้จะปกป้องสุดชีวิตอย่างไม่รู้ผิดรู้ถูกเขาจะกลายเป็นคนโหดร้ายขึ้นมาพวกแฟนนติกจึงเป็นอันตรายทั้งแก่ตนและผู้อื่นเพราะเขาไม่ใช้ปัญญาเขามีแต่ศรัท ธ, ธาที่บ้าคลั่งจะเรียกว่าศรัท ธ, ธาอันตรายก็ได้จริงอยู่ในขั้นแรก ศรัทธากับปัญญาคละเคล้ากันอยู่ท่านจะสังเกตว่าในองค์มรรคไม่มีชื่อศรัทธาอยู่เลยในลักษณะนี้ปัญญากับศรัทธาอยู่ด้วยกันเป็นศรัทธายาณสัมปยุตคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาความทราบซึ้งความเชื่อมั่นที่มีปัญญาควบคุมรองรับเมื่อสัมมาทิฏฐิหรือปัญญามีคุณภาพดีที่สุดแล้ว ก็จะเข้ามาแทนที่ศรัทธาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีและไม่ต้องใช้ศรัทธาอีกต่อไปพระอระหันต์ผู้มีคุณสมบัติคือปัญญาบริบูรีผู้มีปัญญาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้นจึงมีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งตามมาคืออสัตโทแปลว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหรือไม่ต้องใช้ศรัทธา เพราะได้รู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้วอย่างแท้จริงการพัฒนาปัญญาหรือเพิ่มพูนปัญญานั้นให้ดำเนินตามหลักปัญญาวุฒิธรรม4ประการคือ 1. สัพปริสสะสังเสวะคบสัตบุรุษคือท่านผู้ประพฤติดีด้วยกายวาจาใจได้แก่คบคนดีเข้าหาคนดีนั่นเอง 2. สัตรธรรมัสวนะ ฟังคำสั่งสอนของท่านโดยเคารพฟังเป็น 3. โยนิโสมณสิกการคิดโดยแยบขายคิดเป็นตรีตรองด้วยเหตุให้เห็นถ่องแท้ 4. ธรร ม, มานุธรรมปฏิปัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วคือปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เป็นธรร ม, มานุวัติบุคคลท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะหนังสือพุทธจริยศาสตร์ได้จบสมบูรณ์ลงแล้วนะคะขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านอาจารย์วสินินทศระและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณคะ่ะ